หลงส่วนใหญ่หลงแล้วพนะยายามรู้สึกไว้ทำกรรมฐานช่วงแรกๆกันนะไม่เอาตั้งใจไว้หน่อยหนึ่งแล้วใจมันจะแน่นๆตึงๆอันนี้มตึงเกินไปแต่ว่าต้องเป็นทางผ่านเริ่มต้นแล้วตึงไว้หน่อยหนึ่งนะ ก็ทำไปช่วงหนึ่งใจมันจะค่อยคลายออกมันจะได้พอดีมีบางคนตั้งไว้แรงไปแน่นอึดเลยไม่ยอมคลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหนื่อยบางคนก็เริ่มตนน้นจะเอาให้พอดีนะใจมันจะคลายแป๊บเดียวก็ห น, นีไปแนละ้วันนั้นยิ่งใช้ไม่ได้มากกว่าตึงไว้ก่อนแล้วค่อยผ่อนลงทีหลังแล้วพอดี สิ่งเหล่านี้สอนกันไม่ได้เป็นศิละปะในหลักการก็บอกให้รู้สบายๆเน้นพูดในหลักการตอนลงมือปฏิบัติจริงก็เพ่งทั้งนั้นแหละก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแค่ไหนพอดีค่อยๆฝึก ตรงจุดที่เราพอนาะเป็นใจมีจตั้งมั่นเด่นดวงสบายไม่เครียดไม่ตึงก็ไม่หลงแต่กว่าจะถึงตรงนี้บางคนฝึกเป็นเดือนเดือนเลยอย่าพระเนี่ยมาบวชก็โยมเลยมาบวชเป็นพระหลวงพาะว่าฝึกอันแรกที่ต้องฝึกอะไรก็คือตรวจสอบ เรื่องวินัยนะถ้าไม่เคยบวชมาก็สอนวินัยถ้าเคยบวชมาต้องตรวจสอบซ่อนอาบัตอะไรมาหรือเปล่าซ่อนอาบัตกาต้องแก้อาบัตก่อนนะถ้าเคยปราชิกมาอะไรนะ้่ก็บวชพระไม่ได้ให้บวชเนนะให้แก่นั้น พอผ่านเรื่องวินัยก็เรียนพระวินัยนะรวมทั้งเรียนวินัยนอกปฏิโมกพระไม่ได้ถือศีลสองยบเจ็ท่านั้นนะมีอีกเยอะแยะเลยเรนะียกพวกอภิสมาจาร์พวกข้อวัดทั้งหลายอย่างเวลา แล้ว เ, เจอพระผู้ใหญ่กว่ามีข้อวัดยังไงอยู่กับอุปชาต้องทํำยังไงอุปชาก็มีข้อวัดจะดูแลลูกศิษย์ยังไงอยั ง, อยงข้อวัดของอุปชาหลวงพ่อไม่ต้องทำหลวงพ่อไม่ใช่อุปชาหลวงพ่อเป็นอาจารย์ก็มีข้อวัดของอาจารย์ก็เหมือนเหมือนกับข้อวัดอุปชาลูกศิษย์จะต้องเรียนจะปฏิบัติกับอาจารย์ยังไง หรือเวลามีแขกมามีพระคันตุกะมาจะ ท, ทำยังไงหรือการถือธุดงจะถื อ, อยังไงอยู่วัดในเมืองเนี่ยถือธุดงได้ไหมทำได้ไหมทำได้ธุดงมีสิบสามข้อพวกเราไปทำบ้างอย่างได้เลยบางข้อ อย่างนั่งฉันข้าวอาสนะเดียวหมาถึงวันละครั้งก็นะここทําได้ฉันเฉพาะในบาทยืนนี้ก็ทําได้ไนะฝึกได้มีข้อวัดอยู่คนไม่อยูอย่อะไรอย่างเงี้ยแต่คารวะทำไม่ได้ไปอยู่คนไม้ในส่วนสาธนารณะก็ถูกฉุดในถูกปลน้นทําไม่ได้ เรื่องวินัยนะเราเรียนกันช่วงหนึ่งแหละถ้าเจอแล้วก็ฝึกสมาธิการฝึกสมาธินะหลวงพ่อก็ดูคนไหนจะเดินทางชานก็ฝึกไปทางชานคนไหนเดินทางชานไม่ได้นะฝึกให้ได้คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะในยกเราก็ได้แค่นี้แหละ ที่เข้าฌานได้มีนับตัวได้มีไม่มากใจมันวุ่นวายทั้งวันวักแวกวักแวกไปเรยพระรุ่นนี้สมาธิจะตกสู้รุ่นครูบาอาจารย์ไม่ได้เทียบกันไม่ติดเลยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะท่านสมาธิแม่นมากแต่ละองค์แล้วก็ทรงฤทธิ์ทรงอภินญยากัน เยอะเลยหลายองค์จริงมีความสามารถพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันะรุนเราเนี่ยนะแค่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็บุญแล้วละ่ะไม่ต้องเอาทรงชานหรอกนะพระเล่นอินเทอร์เน็ตนะเนีหลวงพ่อไม่เริ่มใสไปไม่รอดหรอกสู้กิเลสไม่ไหวนีอินเทอร์เน็ตนะยิ่งกว่าที่อยาโครจอรอีก อย่างพระบอกห้ามไปเที่ยวชายทะเลเป็นที่อโคูจรนบางทีคนไปโป๊อยู่เร็มทะเลอะไรเงี้ยอินเทอร์เนต็ตเนี่ยยิ่งกว่าทะเลเห็นไหมเพราะงั้นห้ามไม่ให้พระเล่นส่วนพระคันตุ ก, กะหลวงพ่อก็บอกไม่ควรเล่นถ้าท่านจะเล่นก็เรื่องของอุปชาอาจารย์ท่านไม่ใช่เรื่องหลวงพ่อพระาเ น, นี้ไม่ได้แอบเล่นไม่ว่าเพราะไม่รู้ะ แต่นานๆก็รู้ก็อยู่ไม่ได้ต้องฝึกให้จิตมันมีสมาธิที่แท้จริงพระมาเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ตั้งใจนะตอนเป็นโยมก็ว่าภาวนาดีแล้วละมาเป็นพระนะต้องฝึกใหม่สมาธิที่โยมมนะีเล็กน้อยเหลือเกินอ่อน ยนพวกพราเน่บางองค์เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเลยเนีจิตทั้งนจะตั้งมั่นแต่โยมก็ทำได้นะไม่ใช่ไม่มีก็ทำได้ไม่ต้องตกใจว่าโอ้สวยแล้วไม่ได้บวชเป็นพระนะคารวาก็ทำได้อยู่ที่มีวินัยไหมแบ่งเวลาไว้เลยทุกวั น, นต้องทำ ในรูปแบบนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพุโทโธไปอะไรก็ทำไปเถอะให้มันเด็ดเดียวลงไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเวลามันหลงมันไหลไปนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองสมาธิก็ค่อยๆเพิ่มพอสมาธิดีแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญาแล้วไม่ทาจิตให้นิ่งให้เฉย ดูจิตมันทำงานหรืยจะดูกายมันทำงานก็ได้ดูกายทำงานดูจิตทำงานก็จะเหนปัญญาได้เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูอย่างนั้นฝึกๆไปอา้าวพวกอยู่วัดส่งกันบ้านพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่ไม่ได้สง่งจะส่งก็ส่งสักวันนี้ กลานมัสการหลงพ่อคะ่ะปกติไม่ค่อยให้มากราบหลวงพ่อค่ะอยู่ต่างประเทศใช้วิธีสวดมนต์กับดูกายที่หลวงพ่อเคยบอกให้ดูกายใช่ไใช้ได้ไปฝึกฝึกไปเรื่อยๆยังมีส่วนที่เกินอยู่นะคือการบังคับจิตดูอกไหม เออถ้าดูออกก็ผ่านสสกราบธรรมสการหลวงพอ่ออยให้หลวงพ่อช่วยดูว่าพัฒนาขึ้นไหมครับดูเสร็จแล้วพัฒนาต้องฝึกอีกยัง พ, พัฒนายังไม่พอนะต้องฝึกไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็เคลื่อนไปเดี๋ยวก็บังคับเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็บังคับดวออกเปล่านั่นแหละรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะ เราบังคับอยู่ก็รู้เราเผลอไปอย่างตอนนี้เผลอแล้วเล่นไปเราก็รู้รู้ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เดินปัญญาตอนนี้มันมีสมาธิพอเดินปัญญาได้แล้วจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวละการเดินปัญญาก็คือดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปฝึกเรื่อยๆแล้วพาใจฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบนะ อย่าทิ้งสมถะกุรูหพ่อมันเหมือนจะคือเวลาหลวงพ่อเทพมันก็เหมือนจะเข้าใจในหลักการนะคะแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราทำไม่ได้เห็นเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อพูด อ, อนะนัะน่นแหละต้องเห็นนัน่นแะค่อยๆฝึกไปถ้าหลวงพ่อเทศแล้วก็ทำได้เลยบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วมันทำไม่ได้มันต้องไปดูของจริง สิ่งที่พ่อเทพให้ฟังมันเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์เป็นปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราแล้วพัฒนาปัญญาของตัวเองขึ้นมาปัญญาของใครก็ล้างกิเลสของคนนั้นแหละคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นไหมใจเราไม่เคยเหมือนกันสักวันตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกใจเราไม่เหมือนเนี่ยก็ได้อีกช็อตหนึงอีกระดับนึ่งแล้วไม่ใช่ช็อตอีกระดับหนี่งแล้ว เราไปก็ดูไปแต่ละขณะเห็นรูปใจก็เปลี่ยนได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนคิดใจก็เปลี่ยนรู้สึกไหมถ้าดูได้อย่างนี้ก็ดีแล้วะก็ฝึกไปเรื่อยดีขึ้นเยอะแล้วล่ะขอบคุณค่ะนันมา ส, สประนหลวงพ่อค่ะตอนนี้ขณะที่ปฏิบัติจิตก็ยังฟูงยู่อค่ะจิตอะไรนะยังเยัวฟูกระจายอยู่ค่ะเหมือนเรายิ่ง บังคับยิ่งจะฟูงค่ะเออไปบังคับมันทำไมหรอมบังคับไม่ได้แล้วบังคับก็อึดอาดนะเครียดแต่อยู่ๆไปห้ามบังคับก็ห้ามไม่ได้อีกบังคับแล้วรู้ทันไปเดี๋ยวใจมัฉลาดมันก็เลิกบังคับไปเองแหละแต่ถ้าบังคับเราคิดว่าดีก็จะบังคับไปทั้งชาติแต่ถ้าเรารู้ว่าบังคับนี่คือความปรุงแต่งใจมันก็เลิกบังคับไปเอง ใจที่หลงไปเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรื่องอาบุญญาพิสังขารใจที่เราบังคับไวนะ้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีบุญญาพิสังขารตรงที่พยายามจะไม่ปรุงแต่งเรื่องอาเนญชาพิสังขารเป็นความปรุงแต่งใจเราก็ปรุงแต่งอยู่สามแบบนี้แหละหมุนไปหมุนมาทั้งวันทั้งคืนส่วนใหญ่ก็จะสองอัน หลงไปนะกับบังคับถ้าคนที่ไม่ได้ภาวนามีอย่างเดียวคือหลงถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะมีหลงมีบังคับมีรู้สึกมีสามอย่างค่อยๆฝึกไปต่อไปไม่มีบังคับนะเหลือแต่หลงก็รู้หลงก็รู้แล้วพอสุดจิตจริงๆเหลือแต่รู้ไม่มีหลงค่อยๆพาฒนาไป กราบนมัสการค่ะหลวงพอ่อยมได้ฟังเทปฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของของหลวงพ่อมาระยะเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เห็นก็คือจิตจำสภาวะความโกรธความโลภความหลงได้แต่ยังไม่เป็นกลางบางครั้งก็เป็นกลาง ก็เพิ่งฝึกดูว่าความไม่เป็นกลางเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังยังมีความโทสะแรงแต่ก็จาจาไว้ว่ามันเห็นค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะว่าโยมควรจะใช้กรรมฐานแบบไหนที่จะทำให้วางใจเป็นกลางได้เถอะค่ะการวางใจเป็นกลางทาได้หลายอย่างนะห น, นึ่งใช้สมถะ ใช้ไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิอันหนึ่งกลางด้วยสติคือรู้ทันที่ไม่เป็นกลางพอเรารู้ทันความไม่เป็นกลางชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะดับมันก็เป็นกลางอีกอันหนึ่งกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆเรียนรู้ความจริงมันเรียนได้สองระดับอันแรกรู้สภาวะเช่นโลภโกรธหลงเกิด อันที่สองรู้ปฏิกิริยาต่อสภาวะคือความยินดียินร้ายความไม่เป็นกลางพอเราเห็นปวามยินดียร้ายด้วยสติแล้วมันดับมันก็กลางพอสติแล้วก็เห็นสภาวะมันทํางานไปเรื่อยๆพอเห็นสภาวะทํางานไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นนะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเท่าเทียมกันตรงนี้ด้วยปัญญานะ จะกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยมรรคตอนนี้ก็กลางด้วยสติไปก่อนเขากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อค่ะแล้วเขากราบขอบพระคุณที่เมตตาที่ทําให้ลูกได้เห็นช่องทางที่จะพ้นทุกเจ้าค่ะพรอนาได้ดีแล้วนะพรอนาได้ถูกแล้วมาจากไหนเนี่ยเออพอ่อนาดีสังเกตไหมจิตบางทีมันก็ผุดความเบิกบานขึ้นมาได้เองเห็นไหมย่างไม่แก่ อนุโมทนาหลวงพ่อจิก็เบิกบาน้นมรู้อย่างที่มันเป็นมันทำงานของมันได้เองบางคนทำกรรมฐานนะแล้วงงสับสนหรือว่าหวาดกลัวอะไรเนะี่ยใช้วิธีนึกถึงหลวงพ่อใช้ได้นะมันก็เป็นสังขารุสตินึกถึงครูบาอาจารย์จิตก็มีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมา ไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะแต่เป็นเรื่องกลไกของจิตเราเองเ น, นีเรานึกถึงครูบาอาจารย์สมาธิเราก็เกิดเคยมีพระคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะท่านไปอยู่ในถ้าแสวเพชรบูรณนะ์อยู่ถ้าแล้วมันหนาวมากกลางคืนท่านไม่รู้จะทำยังไงผ้าผ่อนก็มีอยู่แค่นี้แทบจะขาดใจตายอย่างนี้ ทำอะไรไม่ได้ท่านก็นึกถึงหลวงพ่อนะนั่งสมาธิไปนึกถึงหลวงพ่อไปจิตมันก็รวมท่านบอกเห็นเวลาหายใจออกนะเหมือนไฟเนี่ยพุ่งออกมาจากรูจมูกนะพุ่งไฟพุ่งออกมาสักสองหนึ่งนะพุง่งเอออยู่กับไฟไม่หนาวไม่หนาวอุ่นใครเคยรู้สึกไหมนึกถึงหลวงพ่อแล้วเหงื่อตกเลยใครเคยเป็นไหม มีคนหนึ่งถ้านึกถึงหลวงพ่อร้อนร้อนเลยพลังงานมันเยอะเึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์้นึ่งเนึกถึงทานเึกถึงศีล นึกถึงสมาธินึกถึงความตายนึกถึงร่างกายนึกถึงลมหายใจเียสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นทั้งหมดเลยนึกถึงความสงบตำลาบอกนึกถึงพระ น, นิพพานก็เราไม่รู้จักนิพพานเลยนึกไงมันก็ไม่เป็นนิพพานเราก็านึกแค่ความสงบ เราทำใจสบายใช่เพราะเราได้ยินเสียงของความเงียบแมเสียงกลิ่งอยู่ในหูเแม้ใจก็สงบได้เห็นไหมง่ายๆ อ, อยู่กลางถนนเสียงดังๆนะเสียงอันนี้ก็มีก็มีตลอดอลยอย่าไปติดมันนะเริ่มติดแล้วจิตมันเริ่มซึมแล้ว อย่างคิดถึงทานเราให้ทานมาอะไรเงี้ยนึกถึงเราก็มีความสุขนะเราไม่ได้ให้เองเราอนุโมทนานึกถึงว่าคนอื่นทําทานอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขเง่ายสมาธิอะถ้าทําเป็นนะอะไรอก็เป็นหมดอนะทําได้หมดอนะเยอะแยๆไปนี่มีโยมอยู่ประเทศอะไรจะไม่ได้นอเบ ถาวายเงินหลวงพ่อมาหนะ้าแสนหลวงพ่อก็เอาเข้าวัดไปขุดบ่อนอนุโมทนาสิเออจะได้ได้บุญนะเห็นไหมบุญหาง่ายแต่ตอนนี้เป็นบุญทางโลกแล้วใจฟุ้งซ่านไปหมดแล้วนะอย่าให้ฟุ้งซ่านนะภาวนาของเราไปอะไรๆก็สู้ปฏิบัติไม่ได้หรอก อยู่กับโลกทำโนวนทำนี่นะก็ทำได้แค่มีความสุขทำทานถือศีลทำสมาธิก็ได้แค่ความสุขจเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจะได้ความหลุดพ้นเราหลุดพ้นด้วยปัญญาอาศัยศีลอาศัยสมาธิเกื้อกูลให้การจเจริญปัญญาสะดวก ถ้าศีลเราไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านจะดูความจริงของกายของใจดูไม่ได้มันเป็นเป็นลำดับไปนั่นเราก็พยายามฝึกตัวเองให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าวอกแวกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไปจนปัญญามันเกิดปัญญาสั่งให้เกิดไม่ได้นะ ปัญญาตัวนี้เป็นภาวนามายปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญภาวนาภาวนาไม่ได้ท่องพุโทโธนะภาวนาว่าการเจริญจเจริญสติจเจริญปัญญาฝึกไปเด้ยพอจิตมันมีปัญญามันจะถ้าปัญญานิดนีดหน่อยๆน่อยนะมันจะเบิกบานสว่างขึ้นมาถ้าปัญญาแกกล้าพอก็จะเกิดอริยมรรคแสงสว่างปรากฏขึ้น แต่ไม่ใช่สว่างอย่างนิมิตนะสว่างอย่างนิมิตเป็นอีกแบบหนึ่ง น, นนี้แสงสว่างของปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยอย่างเวลาปัญญาขั้นโลกุตระมันเกิดเนี้ยบางทีโลกธาตุดับนะไม่มีกระทั่งพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีอะไรเลยนะความสว่างสมัยมันอยู่ในจิตของเราเองนะมันสว่าง ถึงไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็สว่างของมันได้ฉะนนแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเวลาที่พวกเราภาวนาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมารู้สึกไหมมันสว่างสวายมันเบิกบานมันมีความสุขใครเคยภาวนาแล้วเกิดความเข้าใจบางอย่างแล้วก็มีความสุขยกมือซิมีไหมก็เยอะเหมือนกันนะแต่มีความสุขแล้ว ร, รู้แล้วก็ทิ้งมันไป ไม่ไปเก็บมันไว้นะความรู้เป็นแค่ทางผ่านอย่าไปเก็บมันเอาไว้ปล่อยมันทิ้งไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเกิดความรู้ความเห็นอะไรก็สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็โยนทิ้งไปนะแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปก็จะวันหนึ่งไว้ได้มรรคได้ผลหรอกไม่ยาก ใครจะถามหลวงพ่อนะเดี๋ยวไปถามผู้ช่วยสอนหลวงพ่อเสียงไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวต้องเก็บเสียงไว้คุยกับพระเลยจะแกล้ะก็เกลียนใจคุณหมอท่านนั่งอยู่ตรงนี้นอซะหน่อย ไม่ได้หมอหลายท่านนะที่สีดีลาดหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่สอนพวกเราแล้วมรณภาพไปตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วเรื่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ได้หมอหลายหมอช่วยช่วยรักษา เวลาไม่สบายหลวงพ่อจะหาหมอนะ่ะส่วนใหญ่หมอมาหา่อนเราค่อยไปหาหมอนี่พวกเราบางคนก็นหวังดนะีแต่ละคนจะมีสูตรยาอะไรต่างๆนาน า, นาเยอะมากเลยนะถ้าหลวงพ่อฉันยาทุกอย่างที่พวกเรามาให้หลวงพ่อมรณภาพแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอะ่ะเช่อโลกตายหมด เลยพวกเราว่าเออก็เาคิดจะเอายาคิดจะแนะนำอย่างโนอ้นอย่างนี้นะอะไรก็น อ, อนุโมทนานะแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้ละหลายยานะก็ร่างกายมันกรับไม่ไหวหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่ออะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อสิ่งที่ ไม่เป็นวิยาศาสตร์อย่างทำอันนี้เราจะดีทำอันนี้เราจะเห่งไม่เคยเชื่อเลยฟังหลวงพ่อมานานนะเคยได้ยินหลวงพ่อพูดคาว่าโชคดีโชคร้ายไหมไม่มีเพราะอะไรทำไมไม่เคยพูดคำว่าโชคดีโชคร้ายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในใจเลยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กรรมที่การกระทำของเราเอง ไม่ใช่โชคดีโชคร้ายไปโทษโชคโทษดาวเนี่ยตอนนี้คนคลุ้มคลั่งเอาปืนมายิงมากเพราะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้ดาวอังคารอยู่ตรงนี้ไปโทษดาวโทษดาวถ้าเรียนอาจยาวิทยาจะรู้ว่ามันเรียนแบบกันแต่ถ้าก่อการร้ายแล้วถูกยิงทิ้งหมดแป๊บเดียวก็เลิก ประเภทน้อยใจเมียเอาปืนขึ้นมายิงเล่นอะไรอย่างนี้นะก็จะไม่มีถ้าติดตลางไปไมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลมันไม่ใช่เรื่องดาวมันเริ่มตั้งแต่ไปปล้นทองนี่ไ ม, มันทองยิงคนตายเจอใครก็ยิงมาคลั่งขึ้นมาก็ยิงคนอีกเมื่อวานก็มีมพี่จุฬายิงปืนเล่น ไม่ได้ยิงใครหรอกเครียดนี่ยิงปืนเล่นจำไม่อย่างนะั้ถ้าเครียดนะ่ะอย่ายิงปืนจุดประทัดแทนติดคุกน้อยกว่ากันเยอะเลยไปนะซื้อประทัดไหมเครียดเอาจุดประทัดดีกว่ายิงปืนนะใช่ไหมถ้าเขามาถามว่าจุดอะไรอ๋อตอนเชงเม้งลืม นะตารวจเห็นใจนะมันอยู่ที่ใจเราอ่ะจะชั่วหรือไม่ชั่วตามใจกิเลสไปนะมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างพอเครียดเร า, าอ็อโวยวายตีคนโน้นด่าคนนี้ไนะล่ ย, ยิงคนโน้นคนนี้เราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่ใช่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจิตใจนะจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะเราตามใจกิเลส กิเลสก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นฉะนั้นพยายามอย่าไปตามใจกิเลสนะพยายามสู้กับมันเครื่องมือในการสู้กิเลสมีศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสมันแรงกว่าเราเข้มแข็งกว่าเรานะตั้งใจถือศีลไว้ยังไงก็ไม่ผิดศีลตั้งใจอย่างนี้ถ้าจิตเรามีกําลังมากขึ้นมีสมาธิมันจะไม่ได้ตั้งรับกิเลสแล้วแต่มันจะข่มกิเลสไม่ให้เกิดนะ ศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้แพ้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย่ายีจิตปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสปัญญาดูกายดูใจของเราไปนี่แหละวันหนึ่งจะขุดกิเลส ท, ทิ้งได้นี่ถ้ากิเลสมันแรงเกินสมาธิเกินปัญญาเรารักษาศีลยังไงก็อย่าให้ติดศีล อย่าไปทำลายคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นอย่างโมโหขึ้นมาเอาปืนไปยิงถังแกส๊สให้ไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องถามเลยว่าจะไปไหนใจที่คลุ้มคลั่งก็ไม่มีสติอยู่แล้วละยังไงก็อับายแล้วเที่ยวไล่ฆ่าคนในตอนไหนเนี่ไม่รู้สึกผิด นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยพระั้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่จะลงนรกที่ลึกเลยถึงเอเวจีได้เลยเอย่างนึกสนุกแล้วไล่ฆ่าคนนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงนะไม่ต้องมีฤทธิ์แต่ดูด้วยหลักการของเหตุผล เราก็พอประเมินได้ว่าไปไหนงั้นไ้ซเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายตอนนี้มันอยู่ที่ไหนไปดูเอาก็และกันไปภาวนาเอาวีรชนคนเก่งเที่ยหลังแก่คนอะไรงี้ไปอยู่ที่ไหนอา้าวแต่บ้านถ้ายังไม่กลับมีข้อติดขัดก็ถามผู้ช่วยสอนอันนี้ก็มีหลายคน